เอาแค่นี้เอาคสมุดไทยจบสมุดไทยไล่เป็นสูตรถ้าหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลตะพะธรรมมารมแล้วก็วิญญาณหกภัตตะหก เวทนาหกสัญญาหกสัญเกตนาหกตัณหาหกเอ้ยตัณหา6ตัณหา6วิตกหกวิจารหก เราสวดให้มันเคยชินเราสวดยยำๆเราสวดให้มันเคยชินนี่คือสมุทยเหตุเกิดของทุกข์ เรามีรูปร่างกลางตัวที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นกายกายไม่ใช่เกิดมาเฉยเฉยมีเหตุเกิดที่เรียกว่าสมุทยัยมีสมุทัยเป็นแดนเกิดมีสมุทัยเป็นเหตุเกิดกายมีสมุทัยเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นในหลักอริยสัจ4มีทุกมีสมุทยัย มีนิโรธมีมรรคสมุทยนี่แหละเป็นรากเป็นเหง้าเป็นต้นเป็นต่อเป็นก้นบึง้งที่เอากองทุกกองโทษทั้งหลายมาให้กับเราเป็นเหตุให้เรามีกายอพอมีกายขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแต่ก็มาจากใจ สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คืออยายตนะภายนอกรปูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมย์อยายตนะภายนอกคือสิ่งที่มากระทบกับอยายตนะภายในอยนายตนะภายในคืออยู่ที่อยู่ที่ตัวเรารวมไปถึงใจด้วยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นี้อันนี้คือผลอันนี้คืออันนี้คือ อันนี้คือตัวผลไม่ใช่ตัวเหตุเราจะดับผลเหล่านี้เราจะดับยังไงเราจะต้องดับเหตุดับเหตุก็คือต้องดับสมุทยัยสมุทัยที่ท่านพูดถึงนี่ก็คือกามาตัญหาภาวะตัญหาพิภาวะตัหาเหมือนอย่างแรกเริ่มที่เราสวนเมื่อกี้ไนงะกามาตัญหาภวะตัญหา เสยยที่ดังมีอะไรบ้างกามตันหา้ภาภวะตันหา้าปิภวตันหา้าจากนั้นแล้วก็เริ่มมาไล่ไรนะมีอะไรมีอยายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอก6วิญญาณหผัสสะหเวทนาหสัญญาหสัญเจตนาหตันหาหวิตกหวิจารหเป็น10มาไล่เป็นสูตร ทีเรามาไล่ซ้ำๆๆๆๆๆคือเขท่านเน้นว่าตัณหาเวลามันจะเกิดก็เกิดกับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจนี้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ทำมารมณ์ก็ตามมาเป็นที่รักเป็นที่ยินดีปิยารูปังซาตารูปังปิยารูปังเป็นที่รักซาตารูปังเป็นที่ยินดีเป็นที่รักเป็นที่ยินดี นี่เราพ uh, well, like like ูดถ so uh, yes ึงเรื่องดีเราพูดถึงเรื่องดีเป็นที่รักเป็นที่ยินดีและมันเป็นทั้งที่ไม่เป็นที่รักมันเป็นทั้งที่ไม่ยินไม่เป็นที่ยินดีเวลาเวลามันชอบใจมันก็ดึงเข้ามาเวลามันไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปเวลาชอบใจก็ดึงเข้ามาเวลาไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปนี่เนื่องจากอะไร อันนี้คือต้นต่อสาเหตุการเกิดของตัณหาตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเวลามันจะเกิดมันก็เกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โผลตภะธรรมารมณ์เวลามันจะเกิดก็เกิดเวลาตาสัมผัสรูปเขาเรียกว่าจักขุจักขุวิญญาณัง จ้ากุวิญญาณังเกิดความรู้แจ้งทางตานี่แสดงว่ารูปธรรมกับนามธรรมมันทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันอ่าวิญญาณนังนี้ก็คือเป็นนามปธรรมรูปตากับรูปเนี่ยเนี่ยเป็นรูปประธรรมมันทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันมันจะทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันช่วงไหนขณะไหนตอนไหนก็ตามมันจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้แหละอ่า เป็นจักขวิญญาณังเป็นโสตะวิญญาณังเป็นโสตวิญญาณังโสตวิญญาณังโลกเกปิยรูปังซาตรูปังขานะวิญญาณังโลกเกปิยรูปังซาตรูปัง สววิญญาณังโลเกปิยรูปังสาตรูปังกายวิญญาณังโลเกปิยรูปังสาตรูปังมโมวิญญาณังโลเกปิยรูปังซาตรูปังก็ไล่ไปอย่างนี้แหละ เป็นวิญญาณ6เกิดความรู้แจ้งวิญญาณเวลามันจะเกิดก็เกิดจากการรู้แจ้งทางตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รบนี่คือช่องทางที่ใจมันออกไปหากิน่นใจมันอยู่ภายในใจตัวของเราเนะี่ยแต่มันออกไปหากิน่นช่องออกข้อมันคือออกทางตาทางหูทั้งจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจน้อมนึกอยู่ทางใจนั่งหลับตานี่แหละ แต่มามันเป็นสัญญาอารมณ์มาปรากฏเรานั่งหลับตานี่แหละมันเป็นสัญญาอารมณ์มาปรากฏที่เรียกว่าธรรมาโลเกปิยรูปังซาต ร, รูปัง <c oughs> <c oughs> วิญญาณหกพสรษาหก็เช่นเดียวกันเราไปสวดเสร็จแล้วเรามาหา่อยครควญดูเนื้อหาของมันแล้วก็มันจะมีภาษาบาลีออกมาทําให้เราเข้าใจง่าย ถ้าเราจะไปท่องจำก็จะจาได้ง่ายจักขุจักขุจักขุจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสสโลเกปิยารูปังซาตรูปังโสตสัมผัสสโลเกปิยรูปังซาตรูปังขานสัมผัสสโลเกปิยรูปังซาตรูปัง ทนี้เวทนาจักขุสัมผัสสชาเวทนาเนี่ยเพิ่มชาและกเวทนาเข้าไปปิยรูปังซาตรูปังโสตสัมผัสสชาเวทนาสัมโลเกปิยรูปังซาตรูปังป ận, โสตกณ์สิวหากายมโนสัมผัสสชาเวทนาโลเกปิยรูปังซาตรูปั ง, งคือ เวทนาที่เกิดขึ้นในใจเวทนาที่เก in ิดขึ้นในภายในเวทนาที่เกิดขึ้นในภายในใจเวทนาที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นเราจะกําหนดรู้ได้ยากถ้าเราไม่เข้าใจเราระลึกไม่ได้เลยเวทนาภายในใจท่านให้ดูความยินดีของจิตความยินร้ายของจิต คือเกณฑ์ในการทำงานตาเห็นรูปปับ๊บเกณฑ์ของหมันก็คือเกิดเวทนาเกิดจักขูกวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเกิดตัณหาตัณหาจะมาก่อนแต่ถ้าตามหลักปิยรูปสาธรูปที่เราสวดในมหายสติเนี่ยปิยรูปมหาปิยรูปสาธรูปสิบเนี่ยสัมผัสชาวเวทนา สัญญาแล้วก็สัญเจตนาสแลจึงค่อยตัณหาสัญเจตนาสัญเจตนามีความจงใจเพราะสัญญาก็คือความจําความจำที่จะพึงเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความจําจำรูปรู ป, ปรสัญญาโลเกปิยะรู ป, ปังซาตรู ป, ปังโสต สัญญาโลกเกปิยรูปังสาตรูปังาณะสัญญาโลเกปิยารูปังสาตรูปังเอธะสัญญสตตันหาอุปัจจมานาอุปัจติเอธะวิณิสมานาวินิสติตันหาไม่จะเกิดแล้เกิดที่นี่ไม่จะตั้งอยู่ก็ここตั้งอยู่ที่นี่แล้ว ร, รู้ที่เกิดเข้ามัน ร, รู้ที่ดับเข้ามัน วิธีปฏิบัติเราจะทําไงเราจะจาให้มันเกิดเราพยายามเจริญสติดํารงสติอยู่ตลอดทุกอิริยาบถอย่างต่อเนื่องแต่เวลาเร า, เ, ราเจริญสมถะเราปิดหมดให้เหลือช่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เหลือช่องเดียวเวลาเราเจริญสมถะสมถะของเราาแน่นหนาะมันคงมันเป็นกําลังของจิตมันเป็นพลังของจิต ก็เหมือนอย่างปัญหาที่ใครถามมาเนี่ยนี่คือมันไม่มีสมรรถะมันไม่มีพลังของจิตนะไม่มีพลังของจิตมันก็ไม่ไปหน้ามาหลังพลังของจิตก็คือพลังของความสงบพลังของความสงบเวลาเราพุโทโธพุโทโธเราก็เอาเป็นเอาตายอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วสงบแนบแน่นขนาดไหนก็ให้มันอยู่แค่นั้นเลยจนกว่ามันจะหมดช่วงของมันแล้วค่อยมาพิจารณา ความเป็นอยู่ยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยเราก็เอาหลักมารติมาพิจารณากําหนดจดจอ่อเพื่อไม่ให้ตันหามันเกิดในระหว่างที่เรากําหนดจดจ่อเนี่ยมันจะไม่เกิดแต่มันก็แอบบแบบมาแอบบมาจะเกิดบางครั้งเหมือนกับเจ้าของบ้านเหมือนกับขโมยที่มันต่างคนต่างระมัดระวังเจ้าของบ้านก็ระมัดระวังสิ่งของระมัดระวังขโมย ขโมยมันก็ระมัดระวังเจ้าของทงคนต่างจอดจอดจ้องจ้องอันนี้โผล่ม า, า, า <c oughs> ป่าราบ <c oughs> นะเรายกตัวอย่างเหมือนอะไรเหมือนอย่างแยะเข้ารูใครเคยสังเกตบ้างเวลาเราไล่แยะเข้ารูมันเข้าไปแล้วมันจะไม่อยู่ในนั้นนานนะมันจะค่อยๆโผล่มา <c oughs> เราค่อยๆจ้องดูนะ นี่เราอุปมาเพื่อเวลาเราดูเราจะเห็นเราจะเห็นตัณหาที่มันมีอยู่ในใจเพราะกำลังของมันมันเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราใครทรมานได้มากมันก็กำลังก็จะอ่อนลงใครไม่เคยทรมานเลยมันเป็นพลังงานเป็นกาลังงานของมันทั้งนั้นกำลังของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราตัวนี้แหละตัวเอาทุกเอาโทษมาให้กับเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกภทุกชาติตัวนี้แหละ ถ้าเราทำลายตัวนี้ได้ก็คือทำลายภพทำลายชาติได้พอดับตัญหาได้อุปาทานมันก็ดับภพบมก็ดับชาติมันก็ดับชรามาราณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตมันจะมาอย่างไหนมันไม่มีที่มาภพชาติในปัจจุบันที่เราดับได้สิ่งเหล่านี้มันก็อยู่เหมือนเดิมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่า ตันหามันดับมันดับตั้งแต่ตอนยังเรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละในเมื่อมันดับตอนนี้แล้วมันหมดเชื้อหมดเชื้อที่จะไปเกิดอีกแล้วไม่มีพบที่จะไปเกิดเพราะตันหามันดับเมื่อดับตันหาแล้วก็ผู้ที่จะมายึดมาถือไม่มีไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้เก็บดอกเก็บผลไม่มีผู้เก็บผลไม่มีผู้สะสมผลเพิ่มไม่มี หมดไปหมดไปแปนเอิดเติดไม่มีอะไรไม่มีอุปาทานเมื่อไม่มีอุปาทานจิตไม่มีที่กําหนดจดจอ่อว่าจะเป็นจิตใจตรงไหนที่ไหนแล้วนั่นคือตัวตัวนั้นตัวพบในเมื่อมันไม่มีมันไม่มีเพราะผู้ที่จะไปเกิดในพบมันก็ไม่มีโดยปกติแล้วมันมีพบเสก่อนคําว่าพบก็คือผลงานที่จิตของเราทํานี่แหละใครทําดีมากใครทําดีน้อยใครทําเรวมากใครทําเร็วน้อย นั่นะคือเพราะมันจะไปเกิดไปตามนั้นอ่ะเพราะตัณหามันเต็มแปรในหัวใจของเราเราทํายังไงมันก็ยึดทํายังไงก็ยึดวอนขอมันเท่าไรไม่ให้มันยึดมันก็ยึดเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเพราะเราตีตันอั้นตูด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่มีปัญญารอบรู้ไม่ทันมันตัณหาก็คือความอยากในใจของเรานี่เองดูมาสิความอยากในใจของเราดูเห็นไหม ตั้งใจภาวนาตั้งใจสังเกตจะเห็นจะเริ่มเห็นเราพยายามจับเจ้า ต, ตัวความอยากนี่แหละจับทั้งความอยากฝ่ายธรรมจับทั้งความอยากฝ่ายกิเลสความอยากฝ่ายกิเลสก็คือต้นต่อก็คือสมุทยัยขามัตฐาหาภาวะตันหาพิภาวะตันห า, ะะนหายาก อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเกิดในพบน้อยพบใหญ่อาศัยความอยากอยากในสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วไม่อยากมันมีเช่นอย่งสิ่งอะไรก็ตามอยู่เฉพาะหน้าอุ้ยเครื่องตาลยเกินเครื่องตาลยเกินน่ถ้าตามอำนาจของจิตที่มันเครื่องตามมนอยากปัดปัดปัดแป๊บเดียวนูนให้มันตกไปกี่ทวีปไม่รู้เนะี่ย ไม่ให้มันอยู่เครื่องหูเครื่องตานี่คือวิภาพภะตัณหาแต่มันปัดไม่ได้มันยังแก่ความแก่ความเจ็บความตายเราชอบไหมเราไม่ชอบเราไปปัดมันออกสิปัดออกได้ไหมปัดออกไม่ได้การปฏิบัติวิธีปฏิบัติทํำยังไงท่านให้ดูให้เห็นให้เข้าใจแล้วยอมรับยอมรับว่าแก่ก็คือเรื่อง กายแก่เจ็บก็คือเรื่องกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บตายก็คือเรื่องกายตายไม่ใช่เราตายเอาตัณหาออกแล้วเราไม่มีอยู่ในนั้นความทุกข์ไม่ทับถมห้อยใจความทุกข์ไม่มีไม่ทับถมห้อยใจเดี๋ยวนี้เราเราเข็ดเราลาบเราสาดิ้นรนทุกทรมานทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความสุขเพื่อที่จะได้ความสุข แต่บางทีเราดิ้นไม่ถูกเรายิ่งยิ่งทุกข์ดิ้นเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เนื่องจากเราดิ้นไม่ถูกแต่ถ้าเราดิ้นตามหลักที่พระุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเรายิ่งดิ้นมันเป็นการสร้างเพิ่มพูนทวีคูณบุญญาบารมีเพิ่มมรรคเพิ่มผลเพิ่มสติเพิ่มสัมพัญญะเพิ่มปัญญาเพิ่มความอุตสาห์พยายามเพิ่มความรอบรู้เพิ่มสติเพิ่มปัญญา เพิ่มผลรายได้กับตัวเองถ้าไม่มีสิ่งนี้เป็นแรงกระตุน้นมันก็ไม่มีอะไรพอที่จะเพิ่มเป็นผลเพิ่มขึ้นมาให้กับงบจใจของเรานี่คือสมุทยัยเจ้าจอมวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมีอะไรเป็นเจ้าเป็นจอมของมันที่มันดึงมันชักมันลากเราวไว้กับตัวนี้แหละตัวความอยากดูไปให้เห็น หัดจับมันอยากด้วยอํานาจบุญอยากด้วยอํานาจบาปคืออยากด้วยอํานาจของธรรมก็พยายามจับเอาไว้อยากด้วยอํานาจของบาปก็พยายามจับเอาไว้อยากด้วยอํานาจของธรรมก็พยายามจับเอาไว้ความอยากมันมีได้ทุกทุกระยะแต่ว่าอยากด้วยอํานาจของธรรมท่านให้ส่งเสริม ส่งเสริมเพิ่มพูนทวีคูณให้เกิดให้ขึ้นให้มีขึ้นอยากอยากให้จิตได้รับความสงบอยากตั้งใจรักษาสินให้ละเอียดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอยากภาวนาให้จิตสงบอยากได้มรรคอยากได้ผลอยากได้ฤทธิ์อยากได้เดชอยากได้อะไรนะั้นมันเกินขอบเขตถ้าเราอยากก็กิเลสก็สวมรอยเข้ามาได้แต่ถ้าหากเป็นวิสัยของเราเราก็รู้เองมีเองเป็นเองบรรลุ เข้าถึงธรรมปั๊บสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเองมีขึ้นเองแต่ถ้ า, ากไม่มีนิสัยก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ขวางไม่ได้ขวางการบรรลุธรรมของเราเพราะมันเป็นภูมิรู้ที่ยิ่งขึ้นมาที่จะเรียกว่าอภิญญาอิญญาแปลว่า ร, รู้ยิ่งรู้ยิ่งความรู้พิเศษเหล่านั้นเป็นเป็นภูมิรู้ที่ยิ่งที่เรียกวอภิญญาแค่ปัญญาเพื่อนๆธรรมดามารู้เห็นหลักอริยสัจสี่ แล้ก็สามารถถอดได้ถอนได้ก็สามารถดับสมุทยตัวนี้ได้กามาตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาตัญหาคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตความไม่หยุดนิ่งของจิตความดิ้นรนของจิตความล่องลอยไปตามความเพลินไปตามความทะเยอทะยานของจิตจิตดวงนี้ดิ้นรนทะเยอทะ ย, ยานไม่มีขอบเขตไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ยิ่งไม่ศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรม้วยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนแหละดิ้นรนตะบุตะพือไม่รู้ขอบรู้เขตไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้รู้ชั่ว ร, ร, รู้ดีกย็ยิ้มยิ้มย่องอยู่นั่นแหละคิดได้มากรู้ได้มากเข้าใจได้มากกย็ยิ้มยิ้มย่องอยู่นั่นแหละอไปคิดทำชั่วช้าลามกได้มากฉลาดเหลือเกินเราสามารถทําไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจ <c oughs> โกงเงินคนได้เป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้าน ฉลาดเหลือเกินเก่งเหลือเกินเราเนี่ยไม่มีใครจับได้นั่นมันก็ยิ้มยิ้มย่องไปอย่างนั้นซะตั้งแต่ที่ความฉลาดของเจ้าของเนี่ยมันเป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเห็นมันเป็นความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นญาณมิจฉายานมิจฉายานะ เป็นมิจฉาทัศน์เป็นมิจฉาญาณนะเป็นความเห็นที่ผิดมิจฉาทิฏฐิผิดช่องผิดทบผิดแนวผิดแถวผิดศีลผิดธรรมถ้าเราอาศัยอำนาจความอยากของสี่เหล่านี้ปรุงแต่งให้เราต้องโดดโลดเต่นไปกับมันผลบาปผลกรรมก็เพิ่มปูนให้กับเราเพิ่มปูนมากจนจนหมดคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ ตายแล้วก็ไปเป็นสัตไปเป็นเปรดไปเป็นสนรกตามอำนาจความทะเยอทะยานของมันนั่นแหละมันอยากได้มันต้องการมันก็ดิ้นรนมันก็ทะเยอทะยานมันก็สบมันก็แสวงหานี่มันตามมามันพ่วงตามมาทุกสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลตัวทุกขคืออะไรตัวทุกเนี่ย ตัวทุกเมื่อกี้เราไม่ได้พาสวดเราสวดเฉพาะสมุทยัยหน้า75็ดสิบหเมื่อกี้ตัวทุกเราไม่ได้พาสวดทุกก็คือกายของเราเวทนาสัญญาสังขารปัญญารวมแล้วคือขันธ์ทั้ง5้าขันธ์ทั้ง5้าเป็นยอดของความทุกขเป็นกล่องทุกขเป็นที่รวมของของความทุกขเป็นตัวผลที่เกิดจากผลิตผลของสมุทยัยของกิเลดตัณหา บางครั้งความดิ่นรนเทือยธิารทําให้เขาได้กามเวลกบางคราวได้รูปเวลกสวรรค์ชั้นพรหมบางคราวได้อรูปเวลาโน่นน่ะผลของการเทือยธิารของจิตนะมันไปได้แต่มันอยู่ในกรงข่ายมันออกไปไม่ได้ดอกมันไม่ถูกช่องมันไม่ถูกทางวนไปสูงๆแล้วก็ตกลงมาเหมือ น, นเดิมแล้วก็ไป รูปรโลกไปอารูปรโลกก็วนไปก็ตกมาเหมือนเดิมวนไปก็ตกมาเหมือนเดิมไม่มีโอกาสที่จะออกจากจากอันนี้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรูเองโดยชอบพิจารณาเรื่องหลักของเหตุผลนี่แหละฉั้นไปย้อนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชั้นเยี่ยมพิจารณาเข้าใจรู้เรื่องทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาได้ข้อปฏิบัติได้มักมาสอนพวกเราให้ตั้งใจ ภาคัตั้งใจดำเดินะตั้งใจรักษาเรื่องศีลเจริญศีลเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาตั้งใจเพื่อตั้งใจปฏิบัติเพื่อดับสมุทยัยดับได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นเนโรดเป็นเนโรดเนโรดคือความดับความดับคือดับเนโรดคือความดับดับกันหาเกิน ด, ดับเกินดับเกินดับเหมือนเปลวเทียนเหมือนไฟกระพริบเพกิดดับเกิดดับเราดูแล้วเกิดประโยชน์อะไร การที่เราเห็นเกิดเห็นดับเหล่านั้นเนี่ยเราเห็นด้วยอะไรด้วยคาดด้วยเดาด้วยยานหรือด้วยทัศนะ์หรือด้วยการคร่ครวนดูให้ดีสังเกตให้ดีพิจารณาให้ดีเห็นก็พูดก็พูดตามเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ที่เราได้จากการที่เราเห็นเกิดดับคืออะไรเป็นอะไรมีอะไรสืบเนื่องมาในใจของเราอย่างไรจบผลตัวนั่นหรือเป็นลมเป็นแรงไปตั้งแต่กี่กับกี่การแล้วละ่ะเป็นลมเป็นแรงไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เราบกพร่องเรื่องสมถะสมถะคือสมาธิ สมาถะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญส่งเสริมให้พวกเราเจริญคือสมาธิสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวต่อเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะทํางานมีสติมีสัมผชัญญะมีอาตตะปะพร้อมกํากับพร้อมอยู่นั้นไม่ใช่สมาธิหัวต่อสมาธิหัวต่อครูบาอาจารย์ท่านตำหนิยอยู่แต่สมาธิธรรมดาธรรมดามันเป็นกําลังของจิตทําให้เป็นดู มันเป็นกำลังของจิตมันเป็นหินรับให้จิตของเราเกิดสติเกิดปัญญามันเป็นที่รองรับมันหนุนจิตของเราให้เกิดพลังทำให้จิตของเรานี่ไม่วอกแวกไม่คล่องแคลนกาหนดจดจอ่อมันพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะเห็นถ้าลองไม่มีสมาธิเป็นองค์ประกอบนะจ่ออยู่5นาทีมันก็อยู่สักหนึ่งนาทีแค่นั้นแหละนอนน้ำกระไปไหนก็ไม่รู้ ไม่ต้องพูดถึง10บนาที2ี่สนาทีไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจะไปเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงเกินดับเกินดับเห็นอะไรก็ไม่รู้เราเวลาเอาวันนั้นก็เอาให้จริงจังเวลาเรามากําหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือทำโมทำโมัำโ ม, รร ม, รรมหรือก็สังโคสังโคสังโครหรือกําหนดดูผมดูให้จริงจังเอาเป็นเอาตายดูเข้าไปเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอะไรดูให้เห็นจริงจังเข้าไป จิตสงบให้จิตมันได้รับความสงบพกเราขาดกำลังขาดกำลังเป็นทุนหนุนทิ้งไม่ได้นะอันนี้ทิ้งไม่ได้หลวงตาท่านสอนมีความสำคัญทุกระยะทุกขั้นตอนนะทิ้งไม่ได้นะถ้าเราทิ้งตรงนี้แล้วนะ่ะ เรียนขั้นไหนเรียนขั้นนู้นอภิธรรมมหาอภิธรรมขั้นไหนระดับไหนก็ตามไปไม่รอดไปไม่รอดไปไล่แต่ชื่อมันน่ะไล่แต่ชื่อไล่แต่ชื่อไล่แต่เสียงไล่แต่อะไระต่ออะไรเข้ามานั่นแหละอตัญหาราคะมันเกิดมันเกิดขึ้นด้วยอะไรเหตุใดดับด้วยเหตุใด ต, ต้นตอที่แท้จริงเข้ามันคืออะไรอะไรปรากฏในหัวใจไล่ทำ ตํารามันได้ยุต้องมีพลังมีพลังช่วยเสริมพลังสงบนี่แหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะเยี่ยงอย่างครูใายานท่านปลูกฝังให้พวกเราทําที่เราทําทํากันนี่คือเยี่ยงอย่างใครทําไปแล้วประสบผลคนนั้นเข้าถึงเนื้อหาสาระแท้แท้อัฏฐสาระเนื้อหาสาระ พุทโธแปล ว, ว่าตื่นแล้วว่าเบิกบานจิตตื่นจิตเบิกบานสงบราบคากิเลศ ส, สงบดับราบคากิเลศดับ <c oughs> ตื่นเบิกบานตั้งแต่ขั้นสมถะไปจนถึงขั้นวิปัสสนาตื่นเบิกบานได้ทุกขั้นตอนอคำว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธ ม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่ามองข้ามอทำไปทำไปทำไปกิเลสมันโอ๊ยน่าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อฟาดไปหัวที่มันว่าหน้าเบื่อฟาดหันก็บอกหันมีดนฟาดฟันมาเลยแหละลองดูสิไปหลวมตัวไปเชื่ออะไรมันง่ายๆมันมีความนึกความผิดเกี่ยวกับอะไรน่ะหันก็บอกฟาดมันเลยเล่นงานมันเลย เรืกิเลแต่มันต้องมีแนวหนุนมีสิ่งหนุนสิ่งหนุนก็คือกําลังจิตนี่แหละกําลังสมาธิกําลังสติกําลังปัญญานี่แหละมันด้ยวยเอาอะไรเนี่ยอันนี้คือเครื่องมือขาดสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรไม่มีอะไรเราไม่มีรีบมีดดาแหลมดําไม่แหลมเราไม่มีมีดดาสันดํายาวเราไม่มีเหมือนเหมือนข้างนอก มีดข้างไหนก็คืออันนี้แหละสติสมาธิอะไรปัญญาฝาดฟันกันเรื่อยๆไปจ่ออยู่นั้นขัดอยู่นั้นนะเก่าอยู่นั้นนะฟาจนได้ญาณเป็นปัญญายาณเกิดขึ้นกับใครคนนั้นรู้เองไม่ต้องไปถามว่าคืออะไรเป็นอะไรจะทำยังไงไม่ต้องถา ม, มปัิจจตัง ก็เหมือนความโลภมันเกิดกับเราหรอกใครรู้อ่ะความโกรธตาดำตาแดงมันเกิดที่ใจของเราใครรู้ร้ายคนอื่นมารู้ให้เหรอมัน <c oughs> มันตั้งอยู่ใครรู้เวลามันหมดมันหายไปเนี่ยใครรู้ <c oughs> <c oughs> วินยูพึงรู้จำเพาะตนวินยูพึงรู้จำเพาะตน ตั้งความภาคความเพียรให้มากตั้งความอุตสาหพยายามให้มากให้กำลังใจตัวเองให้มากให้กำลังใจก็คือสร้างความอุตสาหพยายามให้กำลังใจให้กับตัวเองอยากได้อยากดีอยากมีอยากเปลี่นเหมือนท่านประวัติครูใบจ า, านี้มีประโยชน์เกิดประโยชน์ถ้าใครขยันศึกษาประวัติครูใยจา์ศึกษาจนได้เยี่ยงอย่างเกิดประโยชน์ อ๋ออันนี้นครูบาอาจารย์ท่านทางี้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านทางี้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านทํางี้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านทํางี้แม้แต่พุทธประวัตินี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างบอยวิธีที่พระองค์ทํารวมมาถึงคําบอกคําสอนทั้งหมด8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านให้เราศึกษาเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างสี่ทุ่มใช่ไหม ตามทุครึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอุโบสถพรุ่งนี้วันปฏิโมกนะวันนี้วันพระใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันปฏิโมกเใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันปฏิโมกต้องมาสังกะรีภาคขาวอะไรก็ต้องมานะอย่าไปนอนขี้เกียจแล้วไม่ออกมาไม่ได้พระเหมือนกันนอนขี้เกียจไม่ออกมาไม่ได้วันพรุ่งนี้วันปฏิโมกเสียด้วยเป็นภาระหมู่ต้องไปตาม อยู่อย่างสบายๆ ส, สบายก็เป็นเนื้อเป็นหนังของมันอีกของกิเลสนะความขี้เกียจกี้คลานเป็นลูกสมุนของมันเนี่ยเป็นตัวที่ร้ายกาจ ท, ที่สุดอีกด้วยไม่ใช่ธรรมดานะอย่าพากบดานไว้จะของอดข้าวอดข้าวภ า, า, าวนานะให้รู้อยู่แก่ใจว่าเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษให้รู้ให้ดูให้รู้เสียหายนะ นักเข้าเห็นแก่ตัวขวดส่วนรวมกับหมูไม่ค่อยช่วยหมู่เสียหายต้องระวังมากพราเนเราระวังตรงนี้ไม่ได้เสียหายที่สาคัญที่สุดก็คือ ค, คาบอกคำสอนของครูบาอาจารย์ของครูทีเจ้าของหมูเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรไม่ฟังไม่ได้ต้องฟังมนุษย์ต้องฟังมนุษย์ด้วยกัน ไม่มีเทวดาที่ไหนมายืนสอนหรอกไม่เหมือนศาสนาอื่นเขามนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์ด้วยกันฟังให้เปลี่ยนฟังเหตุฟังผลฟังให้เปลี่ยนฟังเพื่อเอาประโยชน์ฟังให้เปลี่ยนฟังด้วยความหมดความทนฟังด้วยกําหนดจดจ่อฟังด้วยสำเนียบวินิจฉัยไข้ครวนเพื่อเอาประโยชน์ โดยไม่ปล่อยกิจาการของกิเลสให้ดินน้นรนพื่อพราดเพเ่มว์ออกมาแล้ ว, พวลเพื่อพราดเพเ่มว์ออกมาแล้วนะเจ้าความอยากนั่นแหละอยากให้เขาฟังอยากให้เขาทําตามอยากให้เขาอยู่ในเงื้อมือมันทําไม่ได้ดอกถ้าใครฝืนยึดถือตรงนี้ก็คนนั้นเดินสวนทาง ก, กันกับพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์กับพระสาวก สิ่งเหล่นี้ยิ่งใหญ่เท่าไร่ยิ่งใหญ่จนเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงใครต้องการก็เอาลอด<ม>เป็นมิจฉาทิฐิหมดทั้งดวงต้องเดินตามพระเจ้าชักมันทีละเล็กทีละน้อยล้างมันทีละเล็กคัดเกลามันทีละเล็กทีละน้อยต่อต้านต่อสู้มันทีละเล็กทีละน้อยบวิธีใดก็ตามหาเรื่องที่จะมาหาแง่ห า, า, หาหมุมที่ใหญ่มาเล่น ง, งานกับมันอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ไปรอด ตรงการข้ามแล้วมันเป็นลูกสมุนของมันยืนเดินนั่งนอนเป็นลูกจ้องมันเป็นลูกสมุนมันไต่ยต่ยต่ยต่ยต้ยตามหลังต่ไต่ดูให้ออกดูให้เห็นแต่ละวันแต่ละวันเราตามหลังมันไต่ไต่ตามหลังอะไรบ้างตามหลังธรรมหรือตามหลังกิเลสดูให้ออกสอนเรานี่แหละทีที่สุดเอาคําสอนศึกษาศึกษามาแล้วก็มาสอนตัวเอง ถ้ารับไม่ได้ถึงเขาจะสอนสุภาษิตขนาดไหนก็ตามก็ยังที่อะไรเขาโกรธให้เขาโมโหให้เข า, เขาแต่ถ้าฟังคําสอนเป็นคําสอนมันโปลมาในจิตก็เอามาเป็นคําสอนได้เหมือนหลวงปู่มัน่นท่านท่านว่าครูบาอาจารย์ทักทวงท่านเอ้ยท่านอยู่ป่าอยู่เขาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านจะไปถามใคร ถ้านก็ตอบพระมหาเีระบอกว่าท่านฟังทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นเห็นไหมโดนโดนหมัดเด็ดไหมเจอทีเด็ดไหมนั่นนั่นคือมหาปราชถ์ถึงความฉลาดแท้แท้เนี่ยอะไรโผล่ขึ้นมาเป็ น, เ ป, นเป็นครูสอนในในตัวเองหมดหมดเลยลงไปให้อมะคอยไปให้คอยให้คนอื่นสอนชอบใจก็เอาไม่ชอบใจก็ไม่เอา เอาเสร็จแล้วก็แป๊บๆเดียวระเหยหายไปหมดแล้วเข้าหูสายทะลุหูขวาไปหมดแล้วไม่มีอะไรตกค้างไข้ครวนให้เกิดความรู้ความเข้าใจตกค้างอยู่ในใจของตัวเองนี่สำคัญที่สุดอวันนี้เอาจบแค่นี้